วิบากมีอยู่สีอย่างอันหนึ่งเมื่อพูดถึงวิบากจะต้องข้อใจให้ละเอียดอีกว่าวิบากมีอยู่สีอย่างคือวิบากของเวทนาวิบากของสัญญาวิบากของสังขารและวิบากของวิญญาณวิบากของเวทนาหมายความว่าทุกขณะที่เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือความรู้สึกเป็นทุกข์หรือความรู้สึกเฉยเกิดขึ้น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 เมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานเมื่อใดความรู้สึกเฉยเเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานคนที่มีพื้นจิตใจดีก็คือคนที่สะสมวิบากของความสุขหรือวิบากของอุเบกขาเข้าไว้มากและพื้นที่ว่านี้จะดีมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเภทของความสุขและประเภทของความรู้สึกเฉยเที่เกิดขึ้น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 ที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองเช่นความขยันความเกียจคร้านความกล้าหาญความหวาดกลัวความอดทนและความอ่อนแอความฉลาดความโง่เหล่านี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าบุญและบาปคือฝ่ายดีก็เรียกว่าบุญหรือกุศลฝ่ายชั่วก็เรียกว่าบาปหรืออกุศลนั้นเพราะคาว่าสังขารในที่นี้ตามศัพท์แปล ว, ว่าอนานาจสร้างสรรหรือปรุงแต่ง คนเราจะเกิดมาดีหรือชั่วความสำคัญก็อยู่ที่ความดีความชั่วที่มีอยู่ในสันดานของเราความดีความชั่วที่มีอยู่ในสันดานอันนี้แหละคือตัวการสำคัญที่จะสร้างสรรคนเราให้เป็นไปต่างๆสิ่งที่เรียกกันว่าพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอื่นนั้นถ้าพูดในํำนวนของพระพุทธศาสนาก็คือบุญและบาปนี่เองพระเจ้าลงโทษ ก็คือบาปให้ผลพระเจ้าช่วยก็คือบุญให้ผลโปรดจำให้ดีว่าสังขารแปลว่าอำนาจสร้างสรรค์ไม่ใช่แปลว่าร่างกายบุญและบาปนี่ละคือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดาน